อยากไปให้ถึงเป้าหมายกระวนกระวายกับความสำเร็จในอนาคตให้น้อยลงสงบสุขกับการเลงงานตรงหน้าให้มากขึ้นตั้งเป้าหมายเพื่อให้นิ่งไม่ใช่เพื่อให้กระวนกระวายกับความสำเร็จหรือล้มเหลวทางหนึ่งที่จะเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องคือย้อนกลับมาอยู่กับใจตัวเองรู้สึกกับความสุขอันเกิดจากการมีใจสงบ กขณะแห่งการเล็งเป้าไม่ใช่เอาแต่ว้าวุ่นกระวนกระวายอยู่กับการกลัวว่าจะไม่สาเร็จหากยังไม่รู้จักกับความสงบสุขระหว่างเล็งคนทั่วไปที่ยังเข้าไม่ถึงจะมัวหัวป่วนกระวนกระวายคิดถึงความสาเร็จความล้มเหลวร่ำไปต่อเมื่อเรียนรู้ที่จะกระวนกระวายกับความสาเร็จในอนาคตให้น้อยลง หันมาสงบสุขกับการเลงงานตรงหน้าให้มากขึ้นในที่สุดจึงประสบความสําเร็จง่ายขึ้นเพราะกายใจรวมกันนิ่งพอที่จะผลิตความสําเร็จไม่ใช่รวมหัวกันขัดแข้งขัดขายื้อมือยืมไม้ความสําเร็จเกิดจากการสั่งสมกรรมใหม่ทั้งวิธีคิดวิธีพูดและพฤติกรรมบางอย่างเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานพอ